ฌานท่านหนึ่งส่งมาเมื่อวานเนี่ยนะเขาอยู่แถวชานเมืองแล้วก็เรียกแท็กซี่นั่งแท็กซี่แล้วจึงรู้ว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยนะเขียนป้ายติดไว้ที่หน้ากระจกว่าบริการฟรีนะผู้ที่จะไปสนามหลวงก็คงจะหมายถึงใครที่จะไป เขารถพระบรมศพนะเขาก็จะส่งฟรีผู้โดยสารก็เลยถามแท็กซี่ว่าเนี่ยที่จะไปส่งฟรีเนี่ยเฉพาะกรณีที่ผู้โดยสารเขาอยู่ในเมืองหรืออยู่แถวตัวเมืองหรือเปล่าแท็กซี่ก็บอกว่าที่ไหนก็ได้นะพร้อมจะขับไปส่งฟรีไม่คิดเงินนะเพื่อนก็เลยถามว่าแถวชาญเมืองก็ได้เรย อ, อย่างหนูเนี่ยนะ ถ้าจะไปสนามหลวงนี่ลุงก็ไม่คิดเงินเหนือแจ็กซืกเขบอกว่าไม่คิดหลอกนะที่ไหนก็ได้นะถ้าจะไปงานสนามหลวงเนี่ยนะส่งฟรีนะแล้วแกก็เล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีรถฟรีได้ทุกที่นะบางครั้งเนี่ยผมเห็นคนนะแต่งชุดดำเนี่ยดูเรียบร้อยหน่อยนะก็จะจอดแล้วไปถามเลยนะว่าจะไปสนามหลวงหรือเปล่า เพื่อนก็ถามต่อไปว่าเนี่ยแล้วยุงทำยี่มานานเท่าไรแล้วแกก็นั่งคิดหดืก็บอกแปดเก้าเดือนแล้วก็คือตั้งแต่ที่เริ่มเปิดให้มีการเคารพพระบรมศพนะเพื่อนก็เลยถามต่อไปว่าเนี่ยโหต้องแปดเก้าเดือนเฉลยเนี่ยตอนเนี้ยนนแท็กซี่ที่เขาส่งฟรีเนี่ยมันก็มีน้อยลงแล้วนะลงยังยังทำแบบนี้อยู่อีกหรือแตกก็ตอบว่า ก็พราะคนนะแท็กซี่มีน้อยแล้วนะี่ยฮะก็เลยยิ่งต้องรีบทําใหญ่หรือยิ่งต้องทําใหญ่นะเพราะว่าคนที่จะช่วยพาคนอซึ่งบางทีเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยแท็กซี่แบบ น, นี้มีน้อยแล้วบางคนก็ไม่รู้จะไปยังไงนะนะถ้าลุงเห็นเนี่ยนะว่าเขากําลังรอรถอยู่ก็จะไปจอดถามเลยนะเพื่อนก็ถามต่อไปว่าเนี่ย ถ้าขับจากนี่ไปสนามหลวงเนี่ยนะมันหลายร้อยนะลุงนะเพราะมันอยู่ชานเมืองแกก็ตอบว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะแก๊สมันก็ไม่แพงเท่าไหร่ผมก็พอมีลูกค้าอยู่บ้างบางทีไปส่งที่สนามหลวงก็ได้ลูกค้าติดรถมานะแล้วแกก็เล่าว่าเนี่ยในหลวงเนี่ยทำให้กับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายนะแค่ขับรถฟรีนะแปดเก้าเดือนนี่มันไม่เท่าไหร่หรอก กแล้วแกก็ถามาผู้โดยสารเนี่ยว่าเนี่ยหนูเนี่ยไปสนามหลวงบ้างรลียังตอนนี้ได้ข่าวว่าาจะปิดนั้นนะปิดกันเขาหลวพ่อบรมศพเนี่ยเดินกันยาเพื่อนสาวก็บอกหนูไปแทบทุกเดือนเลยนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปลุงก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าจะไปเมื่อไหร่นะโทร บ, บอกลุงได้เลยนะเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไปเพื่อนก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่หรอกนะเพราะว่าหนูรู้ทางดีไปคล่องแล้ว นะบริการคนที่เขาไม่ค่อยรู้ทางดีกว่านะแล้วก็เพื่อนเขาก็จดนะขอถ่ายรูปนะถ่ายรูปแท็กซี่คนนี้นะเพื่อจะได้บอกต่ อ, ตอกันไปเป็นการชื่นชมอนุโมทนาความดีนะแท็กซี่คนนี้ก็ชื่อเสมอนะนามสุลสาลีนะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์คือพื้นเพลคงเป็นคนชนบทแล้วกอ็อาจจะเป็นชาวนาวชาวไร่ด้วยซ้ คนชนบทหลายคนเนี่ยน ะ, อะพอถึงบางทีทํานาทําไร่ไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่นะก็มาเป็นแท็กซี่อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างคนทําดีนะซึ่งน่านุ่มมัทนามากอย่างนี้แหละที่เราเป็นการทําบุญนะการทําบุญเนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าต้องมาวัดเป็นการทําบุญที่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องเสียสละเสียสละทั้งเวลาเสียสละทั้งค่าแกสนะ๊ส แล้วก็เป็นการทําบุญที่ไม่คิดจะไปโฆษณนานะหรือว่าไปประกาศว่าฉันทําอย่า ง, งางนั้นฉันนี้นะเดี๋ยวนี้หลายคนเวลาทําบุญก็ต้องถ่ายรูปนะอัพขึ้นเฟซนะครเป็นการประกาศว่าเนี่ยฉันทําบุญแล้วนะเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะแต่ก็มีหลายคนนะที่เขาทําบุญแบบปิดทองหลังพระนี่เป็นการทําบุญที่คนไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่นะ แต่ว่าควรจะทํากันมากๆแล้วก็น่าคิดนะว่าแท็กซี่คนนี้ก็ไม่ได้ร่ํารวยเลยนะที่จริงก็อาจจะพออยู่พอกินเลืออาจจะถึงขั้นยากจนก็ได้นะแต่ก็มีน้ําใจแต่ทราบาแท็กซี่เนี่ยที่บริการส่งฟรีเนี่ยก็มีเยอะนะผ่านมาแปดเก้าเดือนแล้วก็ยังยังมีคนมีน้ําใจแบบนี้อยู่คนยิ่งจนเนี่ยนะเขาก็ยิ่งมีน้ําใจนะอ า, อาจจะเคยได้ข่าวนะ ว่ากระเป๋ารถเมก็ดีหรือพนัก ง, งานษาความปลอดภัยก็ดีนะเจอกระเป๋าในนั้นเนี่ยมีเงินเนี่ยเป็นแสนบางทีเป็นล้า น, นก็ยังอุตสาหะคืนสมเจ้าของขณะที่คนรวยเนี่ยนะ ย, ยิ่งรวยมากเท่าไหร่นี้บางทีน้ำใจก็ยิ่งน้อยลงนะจะว่าไปแล้วเป็นเพราะมีน้ำใจน้อ ย, ยถึงรวยนะเพราะว่าถ้าคนมีน้าใจนี่เขาก็จะมี จะสละจะให้ทานจะแบ่งปันนะอยู่เนืองเนืองจึงไม่ค่อยร่ารวยเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ควรจะเป็นนะแรงบันดาลใจหรือแบบอย่างให้กับพวกเรานะว่าเวลาทำความดีเนี่ยไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถจะทาดีหรือทาบุญได้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ก็มีคนส่งเรื่องราวของอีกคนหนึ่งมาให้นะอันนี้ก็เรียกว่าน่าประทับใจมากนะ แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสัก70 80ปีที่แล้วสมัยประมาณพันเกนะก็คือสมัยสงครามโลกที่สอง75ปีได้เป็นเรื่องของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะชื่อชิวนะสึกิฮาร่าเรื่องราวแกน่าประทับใจมากนะแกเป็นกงสุนใหญ่นะที่ริทูเนียริทูเนียตอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียนะตอนนั้นรัเสเซียกำลังทางสงครามกับเยอรมันที่จริงเยอรมันเนี่ย ทำสงครามรัเสเซียมากกว่าบุกเข้ามานะจะยึดครองรัเสเซียแล้วก็รัเสเซียก็สู้นะแต่ว่าทําท่าจะแพ้คนที่ลิทัวเนียเนี่ยจํานวนมากเป็นชาวยิวแล้วคนยิวนี่ก็รู้ว่าเยอรมันเนี่ยนะเขารังเกียจมากนะชาวยิวเนี่ยแล้วถ้าเยอรมันเนี่ยยึดครองรัเสเซียเมยื่อไหร่นี้ชาวยิวนนเนี่ยในลิทัวเนียรวมทั้งในรัเสเซียก็ตายแน่เขาก็เลย ไม่รู้ทำไงเลยต้องหาทางรีภไย่ชื่อแนเขาเล่าว่าเนี่ยตื่นเช้าวันหนึ่งขึ้นมาพบ ว, ว่ามีคนริทูเนียเนี่ยเชื้อสายยิวเนี่ยประมาณสองร้อยคนเนี่ยลุมล้อมอยู่หน้าอ อ, อยู่กันที่หน้าบ้านเขาถามว่ามาทำอะไรนะบอกจะมาขอวีซ่ามาขอวีซ่าเพราะว่าขืนอยู่ริทุนเนียนะมีโอกาสตายแน่ถ้า เ, เยอรมันเนี่ยครองรัเสเซียได้ คนเหลานี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีพาสปอร์ตนะไม่มีพาสวะไม่มีไม่มีเอกสารอะไรเลยเชิวเน่ก็เลยโทรศัพท์ไปติดต่อไปถามทางารัฐบาลนะกระทรวงต่างประเทศว่าจะทำยังไงดีกระทรวงต่างประเทศก็ไม่ยอมนะบอกถ้าไม่มีเอกสารนี่ให้วีซ่าไม่ได้แต่เชิวแน่เนี่ยเขารู้ว่าคืนคืนไม่ให้วีซ่านี่คนพวกนี้ตายแน่แกก็เลยยอมนะยอมทาผิดระเบียบ ให้วีซ่าทุกคนเลยจะมีพาสปอร์ตมมีพาสปอร์ตฉันก็ให้วีซ่าสมัยก่อนเนี่ยวีซ่าต้องกรอกเองนะต้องเขียนเองด้วยมือนไม่ใช่มีแบบฟอร์มอยเชิญแ น, น่กับภรรยานี่ก็กรอกนั่งกรอกนั่งเขียนนะจดหมายให้วีซ่าเนี่ยเรียกว่าทั้งวันนะแล้วก็กังคืนด้วยวันหนึ่งประมาณสิบแปดถึงยี่สิบชั่วโมงนะวันหนึ่งก็ได้แค่สองร้อยใบ แล้วปรากฏว่าคนที่มาขอวีซ่าเนี่ยที่เป็นยิวเนี่ยไม่ใช่มีแค่สองร้อมาทุกวันมาทุกวันตอนหลังเนี่ยเป็นพันนะแกก็พยายามเขียนพยายามเรียกว่าทำเวลาเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วแถมรัเสเซียยังประกาศปิดสถานทูตอีกนะแกก็ไม่ยอมปิดสถานทูตนะไม่ยอมปิดสถานกงศุลขอต่อรองขออีกยี่สิวันนะต่อรองทำไมเพื่อได้มีเวลาเนี่ยออกวีซ่า วันละสองอยวันละสองร้อยเนี่ยจนกระทั่งครบกำหนดแล้วนะว่าจะต้องปิดสถานทูตนะแล้วรัฐบาลก็เรียกกลับนะแล้วแกก็ยังวันสุดท้ายแกก็ยังยังออกวีซ่านะไม่เสร็จนะคนยังที่มารออยู่ก็มีมีรอเป็นร้อยแกก็เขียนทําวีซ่าเนขณะที่นั่งรถเนี่ยไปสถานีรถไฟนะพอไปถึงสถานีรถไฟก็ก็มอบนะจดหมายมอบวีซ่าให้ แต่คนยังมีอยู่เยอะนะทำยังไงดีนะขึ้นรถไฟไปแล้วแกทำไงรู้ไหมแกเขียนเซ็นชื่อในกระดาษเปล่านะแล้วก็โยนให้คนที่รอรอวีซ่าอยู่บอกไปเขียนเองไปกรอกเองแล้วก็โยนตาตาเรียกประทับตราของสถานกงศูนย์ให้ด้วยบอกไปปั๊มเองเลยนะคือแกช่วยจนเรียกว่านาทีสุดท้ายนะ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันก็ช่วยคนได้ประมาณหกพันคนได้นะเขาประมาณว่าคนที่สามารถจะรีภัยเนี่ยรอดพ้นเงื่มมือของนาซีเนี่ยประมาณหกพันคนคือถ้าอยู่อินโดนีเนียคงจะตายนะแล้วเรื่องราวของเขานี่ก็ไม่เป็นที่รู้จักนะตัวชอวเนเนี่ยตอนหลังก็ก็ต้องลาออกนะจากกระทรวงต่างประเทศเพราะว่าทำผิดกฎระเบียบไายแรงหลายข้อเหลือเกินนะ มีที่ไหนให้วีซ่ากับคนที่ไม่มีพา ส, สปอร์ตนะแล้วก็แถมนะยังเซ็นกระดาษเปล่านะแล้วก็โยนอ่ตราประทับตรากงสุลเนี่ยไปให้อันนี้มันผิดระเบียบร้ายแรงมากเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ถูกกดดันให้หลาออกแต่เขาก็ยินดีนะเพราะว่าลึกๆเขาคงภูมิใจว่าได้ช่วยคนแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็เขาก็ไม่รู้นะว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรนะ จกนกระทั่งภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดเนี่ยเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อหลายคนที่เขาช่วยเนี่ยก็รอดชีวิตไปได้คนอย่างนี้น่าประทับใจมากเพราะว่ายอมนะยอมที่จะยอมที่จะถูกไล่ออกคือรู้อยู่แล้วว่าถ้าเจอถ้าทําแบบนี้มันต้องถูกไล่ออกหรือว่าถูกลงโทษแน่แต่ก็ทํำนะเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นเอาไว้คนแบบนี้ก็หายากนะโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเน่ยเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เคร่งระเบียบมาก และที่ไหนที่ไหนก็เป็นอย่างนั้คือเข่งระเบียบขอให้ถูกระเบียบไว้ก่อนยิ่งราชาการไทยก็เหมือนกันนะผิดระเบียบไม่ได้เลยถึงแม้จะช่วยใครก็ตามเนี่ยแต่ขอให้ถูกระเบียบไว้ใครจะเดือดร้อนไม่เป็นไรถูกระเบียบไว้ไว้ก่อนวิสัยข้าราชาการเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่ไม่ถูกระเบียบเนี่ยเดี๋ยวเดือดร้อนแต่ว่าชิวนานี่ชิวนี่นี่เขาเรียกว่าไม่สนใจนะกระทรวงต่างประเทศสั่งว่าไม่ให้ไ ม, ใหไม่ให้ทําแกก็ทำํำนะ พ่อรู้ว่าเดิมพันมันสูงมากนะคือช่วยชีวิตคนอันนี้ก็เลยเป็นการทําบุญที่เรียกว่าน่าประทับใจมากต่อหลังพอเขาตายเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวหรือวีรกรรมเขาจึงเป็นที่รู้จักว่าโอ้เขาช่วยคนได้เยอะเลยก็มีการสร้างอนุสาวรีย์นะให้กับเขาเนี่ยที่อิสราเอลทิลิทูเนียแล้วก็แม้กระทั่งในญี่ปุ่นนะเป็นที่รู้จักก็ตอนที่เขาตายไปแล้วนะก็เรียกว่าเป็นวีร บ, บุรุษนิรานาม น, นะคือทําความดีแต่ไม่มีใครรับรู้นะซึ่งก็ ไม่มีใครรับรู้แต่ตัวเองรับรู้เองว่าได้ทำตามมโนธรรมผิดระเบียบนะแต่ถูกมโนธรรมเนี่ยอันนี้สำคัญกว่า